บรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิย่าแห่งพระพุทธดำรัสที่สาตร์แก่ท่านเจตุ ก, กันนีมานพในข้อสุดท้ายนั้นได้รับสั่งว่าดูก่อนพรามอาสะวะทั้งหลายย่อมไม่มีแก่พระกีนาศพทั้งหลาย ผู้ข้ามพ้นม จ, จุคือความตายได้แล้วเพราะท่านตัดหรือทำลายละความกำหนัดในนามรูปทั้งหลายได้จพระพุทธธหรัดที่ตรัสนี้เป็นการชี้ให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยนิยะเป็นอนเนกนั้นเป็นเรื่องของการแสดง ความเป็นเหตุเป็นผลในฐานะนั้ น, น, นซึ่งสามารถสรุปรวมลงในอริยศัสตร์ทั้งสีประการได้ทั้งหมดในกรณีของพระพุทธบั ญ, ญัติพระพุทธนํำรัตข้อนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่ทรงแสดงว่าอาสะวะย่อมไม่มีแก่พระกีนาศพทั้งหลายนั้นเป็นการแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติ ท่านผู้ใดก็ตามที่เข้าถึงจุดที่เรียกว่าขีณาศพที่แปลว่าผู้มีอาสวะสิ้นแล้วก็หมายความว่าอาสวะจะต้องไม่มีตากว่ายังมีอาสวะคือกิเลสที่หมักห ม, มมอยู่ภายในใจท่านผู้นั้นก็เป็นปขีณาศพไม่ได้ลักษณะเหล่านี้จึงรวมกันอยู่รวมกันไม่ได้ มาความเมื่อฝ่ายหนึ่งมีฝ่ายหนึ่งจะต้องไม่มีเจตมอกฝ่ายเป็นขีณาสพมีฝ่ายกิเลสก็ไม่มีถ้าฝ่ายกิเลสมีความเป็นพระขีณาสพก็เกิดขึ้นไม่ได้ลักษณะเหล่านี้ก็เป็นการชี้ไปที่ตัวของสมุทยัยสัตว์คืออาสวะกับขีณาสมบคือนิโรธโดยใช้คําว่าขีณาสมบหรือเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการบรรลุนิพพานนั่นเอง การต่อไปเป็นการแสดงถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ได้ชื่อว่าขีณาศพเป็นผลที่ต่อเนื่องจากการหมดอาสวะภายในใจว่าเป็นผู้ข้ามมัจจุได้คำว่าข้ามมัจจุนั้นได้แก่การข้ามความตายคือดุดพ้นจากความตายเพราะในคำหาตอนต้นผู้ถามกลวัวตัวตายตัวเดียวเพราะนบุญเจ้าก็ตอบเฉพาะ ความความตายเพียงตัวเดียวแต่แทาจริงแล้วความตายเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่เกิดสืบเนื่องมาจากความเกิดและความเกิดที่จริงก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากกิเลสเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปโดยลำดับตามสภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพราะนการพูดในกรณีเช่นนี้ก็คือการพูดถึงทุกขสัต การนำมัทธุกศัตร์มาพูดจะพูดโดยนัยะใดก็ตามอาจจะพูดถึงพ้นจากความแก่หรือพ้นจากความเกิดหรือพ้นจากความตายหรือว่าในตอนสุดท้ายของมงคลสตรซึ่งสวดและก็จำทรงการแทร่หลายนั่นสระสงแสดงคุณลักษณะของพระอรหันต์ไปว่าอาโศกังเวรยังเขมังเอตมังกัลมุตตะมัง อสศกางก็คือไม่โศกในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกทั้งหลายถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าทำไมท่านจึงไม่โศกเพราะท่านวิรชิชังคือจิตใจก็ท่านปราศจากทุเลไม่มีกิเลสเป็นเครื่องหมักห ม, มอยู่ภายในใจเหตุนั้นท่านจึงเขมังคือเข้าถึงความเกิดเสมเข้าถึงความสุขความสงมบที่แท้ จ, จริงลักษณะเหล่านี้เป็นการแสดง ที่จริงก็คือแสดงนิโรธโดยตรงคือเป็นผลที่เกิดจากนิโรธหรือผลจากการจัสรุ ธ, ธรรมบรรลุ ธ, ธรรมของผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ก็ได้ได้เห็นคุณลักษณะของท่านซึ่งผู้ฟังอาจจะเข้าใจโดยนิยะในยดนิยะหนึ่งแต่ว่าคำว่าอาโศกังนั้นก็แสดงว่าไม่มีทุกขเพราะโศกะเป็นความทุกเบรซังนั้นแสดงถึงความไม่มีสมุทยัย วิรชาชังก็คือตุลีตุลีก็คือกิเลสกิเลส ก, ก็คือพวกกลุ่มสมุทัยทั้งหลายเคมังก็คือแสดงถึงนิโรธที่เป็นผลโดยตรงจากการรู้ทุกขละสมุทยัยทําให้แจ้งนิโรธแต่ส่วนข้อมักนั้นทรงแสดงไว้ในตอนบนของมงคลรสูตรที่เริ่มด้วยตโปจะพระมจริยันจะคือการควาเพ็ินเพีย น, ยนการประพฤติพรหมจันทร์ จนรู้แจ้งอริยสัจทั้ง4ประการทําให้แจ้งในนิพพานวันนี้ก็คือแนวการแสดงอริยสัจเพราะฉะนั้นพอมาถึงพูะผู้ตํารหัดข้อนี้ก็เป็นการแสดงอริยสัจอีกแต่ในขณะเดียวกันทรงชี้ไปที่การประพฤติปฏิบัติในส่วนของสมถะและภาวนาที่เป็นปฏิปทาคือเป็นข้อปฏิบัติที่จะนําผู้ประพฤติปฏิบัติให้สัมผัสผลเหล่านั้นคือการไม่มีอาสวะ ก้าถึงความเป็นขีณาศพหลุดพ้นจากอำนาจของมัดจุโดยทรงใช้คำว่าเพราะไม่มีความกำหนัดในนามารูปทั้งหลายซึ่งอาจจะแสดงในเชิงที่เป็นผลถ้าพูดถึงเป็นผลก็หมายความว่าเป็นสภาพจิตของท่านที่เป็นพระอระหันต์คือหลังจากบารรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่มีความกำหนัด จริงก็ต้องไม่มีความขัดเคืองไม่มีความรุปหลงไม่มีความบวมเมาแบบชาวโลกทั่วไปในสิ่งที่เป็นนามารูปทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันการประพฤติปฏิบัติในชั้นของการกาหนดรู้ทุกเพื่อละส ม, มุทัยทำให้แจ้งนิโรธโดยอาศัยการประพฤติปฏิบัติตามอริยมรทั้ง8ประการซึ่งทรงแสดงไว้โดยนิยาาต่างนั้น ก็ใหญ่ใจความก็งคงอยู่ที่เรื่องนามกับรูปเป็นตัววัตถุคําว่านามมารูปนั้นจึงเป็นการพูดโดยสรุปถึงทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ท่านสรุปรวมไว้ด้วยคําว่านามมารูปบางครั้งสำนวนที่ท่านใช้ทางภาษาพิธามท่านเรียกว่ารูปนามาการว่าเรียกว่ารูปนามก็คงจะเรียกตามสายของปัจจัยการ ที่บอกว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปก็คงจะอาศัยพูดในลักษณะรวมกลุ่มกันไปแต่ที่บาลีแล้วส่วนใหญ่ท่านใช้คำว่านามรูปจะไม่ใช้คำรูปนามเพื่อาหมายความว่าสิ่งทั้งหมดส่วนใดก็ตามที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยอายตนะภายนอก ภายในของตนหข้อแรกได้แก่รูปที่บุคคลเห็นด้วยตาจะเป็นรูปหยาบรูปละเอียดรูปเลวรูปประนิดรูปไกลรูปใกล้รูปในอดีตรูปในปัจจุบันได้แม้ในรูปในอนาคตแล้วแต่จะนับกันคือสิ่งที่ตนเห็นด้วยตาแล้วข้อนี้ถือว่าเป็นรูปเสียงใดที่บุคคลได้ยินด้วยหู จะเป็นเสียงไพเราะเสียงหยาบคายเสียงที่รู้เรื่องเสียงที่ไม่รู้เรื่องเสียงอดีตเสียงอนาคตปัจจุบันทำนองเดียวกันก็ถือว่าเป็นรูปแต่แม้แต่กลิ่นทั้งหลายที่บุคคลสูดดมด้วยจมูกม ก, มมก็ถือว่าเป็นรูปที่บุคคลรู้ด้วยจมูกรสต่างๆจะเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยลิ้นก็ถือว่าเป็นรูป สิ่งที่บุคคลรู้ได้ด้วยกายเย็นร้อนอ่อนแข็งยืดเหนียวต่างๆเป็นต้นก็ถือว่าเป็นรูปวันสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าตัวแกเองนั้นไม่มีปัญหาเพราะแกก็เป็นทุกข์กริสเช่นเดียวกับชีวิตของบุคคลทั้งหลายแต่การที่ต้องมีปัญหาขึ้นมานั้นก็เพราะใจของบุคคลไปกำหนดหมายแกเอง ข้อนี้ถ้าเรามองถึงแนวความคิดที่เริ่มค้นคว้าในด้านจิตดั้งเดิมของมนุษย์ก็มีโครงสร้างทางความคิดที่น่าศึกษาเหมือนกันเบตานบอกว่าเดิมทีเดียวเนี่ยโลกมันไม่มีอะไรมันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นรู ป, ปรธรรมท่านเรียกว่าประจิตกับสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมที่เรียกว่าปรมาตตมันเมื่อก่อนก็เป็นเรื่องต่างคนต่างจู แต่ตัวประกิคือตัวรูปประวัตถุนั้นคิดอะไรไม่ได้รู้อารมณ์ไม่ได้ส่วนปรมตัตตมันนั้นคิดได้รู้ได้รักได้ชังได้เพราะงั้นเมื่อแกมาเจอกันเข้ากัากบรูปประวัตถุแกเกิดกำหนัดเกิดพอใจในวัตถุแกก็แยกตัวเองเข้ามาผสมประ ส, สานกับวัตถุชีวิตก็เกิดขึ้นในโลกนี้ก็ น, นี่ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ออกจากดั้งเดิม โบราณก่อนพุทธการมากแต่ก็เป็นโครงสร้างความคิดที่ให้บุคคลได้หลักอยู่ประการหนึ่งว่าความคิดในแนวนั้นถือว่าเป็นความคิดที่พิสูจน์ได้ระดับหนึ่งตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าระหว่างอารมณ์กับจิตนั้นที่จริงมันต่างคนต่างโจอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของมัน พระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นธรรมะจิติคือมันตั้งอยู่ตามธรรมดาของมันเป็นธรรมนิยามคืออยู่โดยกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติโดยทรงแสดงใ ห, ให้เห็นว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างที่มันเป็นคือมันอยู่อย่างที่มันอยู่ดันเด็กตถาคตเพียงแต่นํามาเปิดเผยชี้แจงแสดงให้รู้ให้เห็นเท่านั้นเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามันก็มีอยู่ก่อนแล้วไม่จะมีเพราะพระพุทธเจ้าไปบัญญัติให้มีขึ้นมันมีในตัวนามรูปเหล่านั้นตั้งแต่ก่อนแล้วเมื่อเกิดนามรูปขึ้นมานามรูปก็หมุนเข้าสู่ไตรลักษณั้นไตรลักษณ์หรือนิจังทุกข์อนัตตาท่านจึงเรียกว่าสามั ญ, ญลักษณ์เป็นลักษณะ ท, ที่เสมอเหมือนกันในสัตว์และสังข า, ทางรทั้งหลาย เลอจะต้องเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เพราใจของบุคคลไปเกิดกำหนดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นที่ท่านบอกว่าเพราะจิตมันวิจิตทำให้ตัณหาคนวิจิตแต่การที่ตัณหาของคนมันวิจิตออกไปเพราะอารมณ์ทั้งหลายมันวิจิตมากมายละ่เกันทีนี้เมื่อทุกอย่างมันเริ่มวิจิ ต, ตกระบวนการเหลออื่นก็วิจิต แม้จากการจะสร้างบ้านสร้างเรื่องแฟชั่นสมัยนิยมต่างๆนั้นจะเห็นได้ว่าเพราะความจิตและความวิจิตของจิตที่มีการกําหนดหมายเึงกําหนดหมายว่าแต่งตัวอย่างนี้สวยคนหนึ่งก็กําหนดว่าอย่างนี้สวยอย่างโน้นสวยอย่างนั้นสวยก็มีแฟชั่นออกมาในยุคนในสมัยต่างๆแล้วพยายามที่จะน้มน้าวจิตใจของบุโคคลเห็นตามคล้อยตามว่าอย่างนี้สวยนะอย่างนี้ไม่สวยนะก็กลายเป็น การแสวงหาประโยชน์ทางการค้าของบุคคลทั้งหลายนี่ก็คือใจไปกำหนดใจไปยอมรับเงื่อนไขที่บุคคลอื่นกำหนดให้แต่บางอย่างใจก็ไปกำหนดตัวเองซึ่งเดิมทีเดียวมันก็เป็นเรื่องของต่างคนต่างจุตอนนั้นอารมณ์ในปัจจุบันให้ลองสังเกตว่าพวกนา ม, มารูปทั้งหลาย แกจะมีอิทธิพลต่อใจเราหรือไม่นั้นมันอยู่ที่เรายอมรับแกในฐานะอะไรอย่างที่พระเจ้าทรงสแสดงว่าสังกัปปะมโมปุริสัตสโคจิความดำริด้วยอำนาจความใคร่นั่นเอ่นเป็นกามของคนในโลกนี้สมมติว่ามีคนมาเสนอขายสินค้า แใจของบุคคลไม่ยอมรับวาสินค้านั้นมีคุณค่ามีประโยชน์ที่ตนจะต้องซื้อจะต้องสแสวงหามาก็โฆษณาอย่างไรก็ไม่สามารถจะ น, น้มนาจิตใจของบุคคลให้เกิดกำนัดได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมองไปอีกมุมหนึ่งว่าอาจจะไม่เกิดกำนัดยินดีจริงแต่อาจจะเกิดความขัดเคืองคือรำคาญคนที่มาโฆษณาขายก็ได้ทั้นนั้นปัญหา ท, ทางจิตใจ ที่เกี่ยวกับอารมณ์ในขณะดำรงชีวิตปัจจุบันผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ว่าวิธีการทั้งหมดของพระพุทธเจ้ามุ่งที่จะขัดเกล า, ววามกำหนดขัดเกลากิเลสออกไปจากจิตใจของบุคคลเป็นประการสำคัญ แต่ในบางกรณีงานบางอย่างจําเป็นจะต้องเพิ่มพูนขึ้นจะต้องเสริมสร้างสถานะขึ้นเช่นบุคคลผู้เป็นคารวาสครอบครองเรือญอาจารจะคุมไม่ให้โลภไม่ให้อยากได้นั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้พระเจ้าก็ขอคุมเพียงว่าอย่าให้เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดอย่าถึงกับเป็นอัตินอย่าถึงกับไปลักไปขโมยไปชอบไปโกงบุคคลอื่น ซึ่งหมายความว่าการประพฤติปฏิบัติขนาดนั้นเป็นการลดความกำหนัดประเภทที่แรงจัดสงสัยค้วามากำหนัดนักคือกำหนัดมากในรวมทั้งหลายจนคนคุมไว้ไม่ได้แล้วก็ออกมาในรูปของการไปลักไปขโมยไปชอบไปปลนซึ่งก็รุนแรงไปตามความกำหนัดที่เกิดขึ้นภายในใจหรือแม้แต่ศีลข้อที่สามมันก็มีลักษณะอย่านกัน คือต้องการจะลดความกำหนัดในนามรูปนั่นเองถึงแม้จะลดไม่ได้หมดก็คือลดอย่าให้ถึงกระรุนแรงจนไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทั้งคำสอนในชั้นศีลก็เป็นอย่างนั้นชั้นธรรมะทั่วๆไปก็เป็นอย่างนั้นแม้แต่ชั้นเพิ่มภูนทรัพย์สมบัติก็ส่งสอนให้หมันขยันอย่างสัมมาชีพหรือให้ประกอบสัมมาชีพเป็นประการสำคัญ ซึ่งหมายความว่าเราก็อาจจะมีความโลภอยู่อาจจะมีความกำหนัดในวัตถุทางหลายกำหนัดในบ้านกำหนัดในสถานะตำแหนง่งกำหนัดในกิจการต่างๆก็ว่ากันไปแต่ข้อสำคัญให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมซึ่งทรงใช้คำว่าสันโดษบ้างใช้คำว่าสมาชพบ้างที่จริงสั น, สนโดษกับสมาชีพมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน สันโดดเป็นการแสดงออกหรือเป็นตัวควบคุมให้การสแสวงหาของบุคคลอยู่ในกรอบของสัมมาชีพคือหมายความว่าความยินดีที่เกิดขึ้นในการงานในสิ่งที่จะได้สืบเนื่องมาจากการทำการงานเรานั้นจะต้องยินดีตามกำลังเขาตัวเองที่จะใช้สติปัญญาเหตุผลความเพียรพยายามบุคคลต้นทุนเป็นต้นสแสวงหามาได้ แล้วมาได้มาแล้วเท่าไหร่จะมากหรือน้อยไม่สําคัญอะไรก็ขอให้ยินดีเท่าที่ได้ในขณะนั้นๆเป็นการคุมจิตของบุคคลเอาไว้ไม่ให้ลุ้นอำนาจแก่อารมณ์ในกรณีของการใช้สอนบริโภคก็ส่งสอนให้ยินดีตามสมควรเป็นต้นนี่ก็คือหลักปฏิบัติในการสอนให้คลายกำหนัดในนามรูปนั้นเองเพราะว่าสิ่งทั้งหมดก็คือนามกับรูปมันไม่มีอะไรอื่นไปจากนามรูป โรคเหล่านั้นเป็นโลกของสัมผัส อ, อายตนะภายใน5แรกก็เป็นรูปอายตนะที่หก็เป็นนามอายตนะภายนอกหแรกก็เป็นรูปอ า, ายตนะที่หก็เป็นนามซึ่งก็หมายความว่าที่เป็นนามอยู่ก็คือใจกะระทำมารมรม์มารมที่เกิดภายในใจของบุคคลเหล่านั้นอาจจะจำได้ออกเป็นกุศลหกุศลแล้วก็กลางกลางคือปยากฤิแต่สิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นเรื่องของนามมธรรม แล้การสอนในชั้นหนึ่งคือเลยศีลขึ้นมาต้องสอนระดับที่เรียกว่าสํารวมระวังอินทรีย์เป็นการปิดกั้นกระแสะความคิดจิตใจของบุคคลเอาไว้ก็อย่าให้ถึงกาหนัดก็อย่างน้อยก็อย่าให้กาหนัดนักกาหนัดมากในอารมณ์ทั้งหลายแต่ในขณะเดียว ก, กันก็ต้องระวังไม่ให้ขัดเคือง อย่าลืมว่าระวางกำหนัดกระขัดเคืองนั้นจะมีความเกี่ยวข้องถึงการอยู่เรื่อยๆเช่นสมมติว่าต้องการอะไรได้สมหวังก็จะมีความกำหนัดเพิ่มขึ้นถ้าปิดหวังก็จะออกมาในรูปของโท ม, มา น, านัดเกิดเสียใจก่อนพอเสียใจมากเขาก็จะเกิดขัดเคือคับแค้นโทษโน้นโทษนี้หาคนที่เป็นเป้าซึ่งตนจะสามารถสบายอารมณ์ได้ออกไปแต่บางครั้งก็ มีการโต้อตอบในลักษณะที่รุนแรงตอนนี้ถ้าเราสาวให้ลึกลงไปก็จะพบว่าการที่ใจของบุคคลไปกำหนัดขัดเคืองในอารมณ์ทั้งหลายนั้นหรือว่าในานามารูปทั้งหลายนั้นแล้วก็สืบเนื่องมาจากโมหะเต็โมหะเป็นมูลเป็นรากง้าวให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแต่ตัวโมหะนั้นก็คือตัวอวิชชาเั่น เอาเฉพาะตัวโมหะฐานที่ให้เกิดกของแกมีตัวเข้าผสมอีกสองตัวก็ทจริงก็เป็นอาการของแกนั่นเองที่เรียกว่าอาหิริกะคือความไม่ละอายต่อบากอนุตตป ะ, ตวปะความไม่สะดุ้งกลัวต่อบากลักษณะเหล่านี้ให้ลองสังเกตว่าคนเราถ้าไม่รู้แล้วก็ไม่กลัวคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นเด็กจับไฟเล่นเพราะแกไม่รู้ว่ามันเป็นไฟหรบร้อน นั้นความรู้ความไม่รู้นี่เองเป็นเหตุให้คนทำอะไรผิดผิดพลาดพลาดออกไปมากแต่ถ้าเกิดความรู้ขึ้นแล้วโอกาสที่จะผิดพลาดก็น้อยลงถ้าเป็นความรู้ในแนวพูดจริงๆโอกาสที่จะผิดพลาดก็จะไม่มีหรือว่ามีอย่างพระโสดาบานันท่านบอกก็มีบ้างแต่มีเพียงเล็ ก, ลกๆน้อยๆดังนั้นนิธีแก้ไขจึงส่งจาแนกแสดงไว้โดยอเนกปรียย ยันในกรณีนี้สมมติว่าเราจะมาแก้ที่ใจหรือแทนที่จะไปแก้ตรงโน้นเราก็มาแก้ที่ใจได้แก่การเพิ่มการแปลอหิริกะให้เป็นหิริคือความไมละอายต่อบาปให้เป็นความละอายต่อบาปควา ม, มละอายต่อบาปนั้นเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นตัวจิตสำนึกที่สร้างที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคลคลก้อนนี้เพิงสังเกตว่า ในการอบรมแนะนำสั่งสอนอะไรนั้นว่ากันตามความเป็นจริงแล้วมีผลน้อยถ้าคนไม่มีจิตสำนึกด้วยตัวเองแต่ถ้าคนมีจิตสำนึกด้วยตัวเองก็จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวก็เองได้แต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าอาขาตาโรตถาคาตาตถาคตเพียงได้บอกให้ทนนั้นเพราะไรเพราะถ้าเขาไม่เกิดจิตสำนึกขึ้นมาเองจะไม่มีผลในทางปฏิบัติ และแม้ในชั้นของการนำรงชีวิตจึงสอนเห็นปะตนเป็นที่พึ่งของตนนะเพราะฉั้นบุคคลก็ต้องเตือนตนด้วยตนจงพิจารณาตนด้วยตนสวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนแล้วแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนด้วยตนซึ่งก็หมายความว่าอย่างไงหมายความมานั้นเป็นจิตสํานึกที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลเหล่านั้นเองที่มองเห็นเหตุเห็นผลด้วยตัวเอง ใครก็ดนบันดาลไม่ได้ใครก็ทําให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าใจเขาไม่พร้อมที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดังนั้นตัวทิริจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าฝ่ายความไม่ลอายต่อบาปนั้นก่อให้เกิดโทษใจสิจ่งที่ตรงกันข้ามคือทิริก็ก่อให้เกิดคุณอันมหาศาลขึ้นภายในจิตใจของตน วัธริจึงอาศัยจิตสานึกภายในที่เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นเป็นประการสาคัญเรียกว่าอาจจะประรบชาติสกุลที่ตนเกิดมาโดยชาติโดยสกุลอย่างนั้นอย่างนี้เป็นชาติสกุลที่ยอมรับนับถือของบุคคลทางหลายมีการฝึกปรืออบรมบ่มนิสัยกันมาเป็นเวลานานให้มีจิตจิตรับผิดชอบสานึก ร่วมกันที่จะทำรงรักษาไว้ซึ่งตระกูลวงศ์ของตนไม่ยอมให้มีความผิดพลาดมันเกิดขึ้นและหนาที่สุดคนเหล่านั้นก็เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบการกระทำความชั่วความผิดต่างๆนั้นไม่ใช่เราได้รับเพียงคนเดียวแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราในฐานะต่างๆจะต้องได้รับด้วยหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะอาศัยการศึกษาอบรมบ่มนิสัย ในแนวที่มุ่งพัฒนาจิจตใจตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการศึกษาบางอย่างนั้นไม่ได้มุ่งขัดเกลากิเลสแต่มุ่งที่จะเพิ่มพูนวิธีการต่างๆซึ่งตนจะสามารถแสวงหาแล้วก็ได้มาครอบครองทึ้งสิ่งนั้นๆซึ่งบางครั้งท่านใช้กับรรทุกวิชารือ เ, เป็นความรู้ที่ไม่ดีความรู้แล้วก็ก่อให้เกิดทุกข์ แต่ในขณะเดียวกันความรู้ในในชั้นนั้นถ้าเอาธรรมะเข้าไปใส่เข้ามันก็สามารถจะใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพโดยมีธรรมะเป็นหลักคำจันจิตใจของบุคคลได้พระเจ้าจึงทรงแสดงว่าที่จริงก็เป็นอุดมมงคลประการหนึ่งเหมือนกันถ้าบุคคลนั้นมีวินัยที่ได้ฝึกปลืออบรมมา ซึ่งคนนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะเห็นว่าในมงคลและสูตรนั่นเองก็ที่ส่งแสดงว่ามีการศึกษาสลับตอกฟังมากฉลาดในศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งมีวินัยที่ศึกษาสำเนียกดีแล้วพูดวาจาเป็นสุภาษิตเราถือว่าเป็นอุดมมงคลซึ่งก็หมายความว่าคนที่ศึกษาสำเนียกมาดีแล้วก็ดีคนที่ฉลาดในศิลปะเครื่องเลี้ยงชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนั้นจะต้องมีวินัยในตัวเอง มีวินัยที่ศึกษาสําเนียบมันดีแล้วควบคุมตัวเองได้เป็นสมาชิกของสังคมที่ไม่ทําตนให้เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมอย่างน้อยก็แสดงออกมาในรูปของพูดจาที่เป็นสุภาษิตพูดถ้อยคําที่เป็นคําสัตย์คําจรงิงคําไปร่ อ, อนหวานสมานสามากีแล้วก็มีประโยชน์ดูแล้วแต่เป็นอุดมชีวิตของบุคคลเหล่านั้นดังนั้ น, น, นเรื่องของอนามรูปใน ชั้นที่เรียกว่าให้เกิดการสำรวมระวังเนี่ยกลางว่าบุคคลไปเพิ่มตัวฮิริขึ้นมาโดยอาศัยการป ร, รบชาติสกุลป ร, รบการศึกษาแล่าเรียนของตนว่าตอนนี้ความรู้ความเข้าใจในเหตุผลต่างๆของตนก็มีเพิ่มขึ้นการประพฤติปฏิบัติที่เคยกระทาในลนักษณะไม่เหมาะไม่ควรก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้นปริมาณของหิริก็เกิดขึ้นเมื่อปริมาณของฮิริเกิดขึ้นก็แสดงว่าความไม่ละอายก็ลดเออความละความไม่ละอายต่อบาปก็ลดลงและโมหะคือตัวหลงเองก็จางลงแล้วมันจะไปคุมที่ตัวความโลภคือจะโลภอยู่ในทิศทางไม่ถึงก็โลภอยากได้ของคนอื่นจะขัดเคืองก็ไม่ไม่ขัดเครืองอย่างไม่มีเหตุมีผลอะไรอาจจะขัดเครือง อย่างมีเหตุมีผลแต่ก็ไม่ถึงก็เก็บบทมาเป็นพยาบาทนี่คือลักษณะการเชื่อมโยงเข้าหากันของธรรมะในเชิงปฏิบัติซึ่งกว่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์แบบธรรมชาติธรรมดาตำนองก็เราเปิดให้ไฟสว่างขึ้นในขณะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่สืบเนื่องมานั้นมีมากาเช่นว่ากระแสไฟก็หมดไปความมืดก็หายไป สิ่งที่อยู่ในที่นั้นปรากฏคนสามารถจะหยิบจะช่วยเอาอะไรในที่สว่างได้ตามที่ตัวต้องการเป็นต้นนันคือผลสืบเนื่องมาจากการเปิดไฟสว่างเพราะ้นการเพิ่มพูนฮิริขึ้นมาภายในใจก็มีรัษนาอย่างนั้นคือบางอย่างอาจจะอาศัยอายุอนามที่เพิ่มขึ้นซึ่งคนเรานั้นจะถ้าหาบทเรียนจากธรรมชาติให้ได้ หรืเห็นว่าอะไรก็ตามที่มีอายุนานขึ้นจะมีคุณภาพสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือจะเป็นพวกของเครื่องเพชรเครื่องแร่เครื่องแม้แต่พวกหินอ่อนอะไรต่ออะไรเนี่ยคือสรุปว่าถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยคุณภาพของสิ่งเหล่านั้นจะต้องมากขึ้นและคุณค่าก็จ้มากขึ้นต้นไม้ก็ต้องมีแก่นเพิ่มขึ้นใหญ่มากขึ้นผลประโยชน์ที่จะได้จะต้นไม้มากขึ้น คนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นยิ่งคนเราค่าร่างกายค่าร่างกายโดยตรงนั้นไม่มีมันอยู่ที่ค่าซึ่งบุคคลแสดงออกในเชิงพฤติกรรมที่อำนวยความสะดวกให้แก่ตนและแก่บุคคลอื่นดงนั้นการเพิ่มสาระแก่นสารในชีวิตได้บังเกิดขึ้นแก่ตนอย่างน้อยที่สุดก็ทําความช่วยน้อยลงทําความดีมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นสาระแก่นสารระดับหนึ่งของชีวิต โดยสายวัยที่จเจริญเติบโตขึ้นมาด้วงการผ่านวัยมานานแล้วการข้างหน้าก็น้อยลงก็ทำให้บุคคลเกิดความสานึกที่จะหยุดที่จะงดเว้นที่จะบรรเทาที่จะลดที่จะละคือจิตสานึกนั้นเกิดขึ้นมาเองซึ่งแต่ละอย่างนั้นต้นแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ผ่อนคลายความกำหนัดในการทั้งหลายลงไป ซึ่งแน่นอนในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่า จ, จะบรรลุมรรคผลเป็นพระยะบุคคลแต่ด้วยพื้นฐานดังกล่าวแล้วเมื่อบุคคลปฏิบัติ ด, ดำเนินไปโดยลำดับก็จะดึงกุศลละธรรมเหล่าอื่นเข้ามานำสู่ความสุขความสงบให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสุขต่อไป